นับตั้งแต่เสือดำตัวย่อมย่องเข้ามากวนควายในตอนดึกของคืนแรกและบุญคามยิงมันไปแล้วคืนถัดมาเหตุการณ์ก็ปกติไม่มีวี่แววของสัตว์ร้ายอะไรจะแพร่ผ่านเข้ามาใกล้ค่ายพังอีกนอกจากพวกเก้งกวางที่มาส่งเสียงร้องอยู่ยังบริเวณตีนเนินห่างลงไปซึ่งเย็นของวันที่สามนั้นเองนายเมย์กับลูกหาบสองคนก็เข้ามาขออนุญาตไปด้อมอยู่ใกล้ๆค่ายพักแถวตีนเนินและไม่ทันข้า ก็ยิงกวางเขางามมาได้ตัวหนึ่งมันเป็นระยะที่ทุกคนในแคมป์อยู่ในระหว่างการพักผ่อนอย่างเต็มที่บุญคำทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและรักประกันของค่ายพักได้อย่างดีที่สุดควรแกการปลอดโปร่งสบายใจได้ของดารินมิหนำซ้ำยังไม่ทำให้รอนเหงาจนเกินไปนักเพราะความเป็นคนมีอารมณ์สนุกของแกยิ่งกว่านั้นยังคอยทาหน้าที่เป็นลูกมือใกล้ชิดช่วยเหลือรอนในทุกอย่างได้ตามควร แม้จะไม่คล่องแคล่วเท่าแง่สายก็ตามแต่ก็ดีกว่าในความช่างพูดช่างคุยแกมักจะนอนในเวลากลางคืนเสมอทว่าก็หูไหวตื่นได้ในทันทีที่หลอนเรียกใช้หรือแม้แต่ฝีเท้าอันแผ่ว เ, เบาของหลอนขณะที่ย่องเข้าไปใกล้ขณะที่แกนอนหลับกลนอยู่ก็ไม่เคยที่บุญคําจะไม่รู้สึกตัวหลับก็ได้ครับนายหญิงแต่ขอให้หูไหวเท่านั้นชีวิตเดินป่าขืนตื่นอยู่ยามตลอดเวลาก็แย่เท่านั้น พรานเท้าแห่งเขาอึมครึมบอกกระปลนบุญคํานี่เหมือนกับพรานใหญ่และพินนะนอนหลับแต่ประสาทไวมีวิธีฝึกกันได้ยังไงนี่บุญคําหัวเราะร่าตามนิสัยของแกมันอยู่ที่ความเคยชินครับนายหญิงจะรู้ว่าพรานคนไหนเก่งขนาดไหนนายผู้หญิงไม่ต้องไปคํานึงว่าเขาจะแกะรอยสัตว์ได้แม่นยําเพียงไรหรือยิงปืนได้ดีขนาดไหนดอกครับคอยดูตอนเขานอนนี่แหละ ถ้านอนขี้เศราก็ยังเป็นพรานดีไม่ได้เวลาอยู่ในป่าพรานไม่ใช่ว่าจะไม่นอนคืนไม่นอนก็ตายเท่านั้นแต่ในขณะที่เขานอนเขาก็ต้องรู้ว่ามีอะไรผิดปกติเข้ามาใกล้ตัวเขาและตื่นได้ทันเสมอลําพังพวกผมกับพรานใหญ่ที่ออกป่าด้วยกันเวลากลางคืนเรานอนกันหมดทุกคนไม่มีใครอยู่ยามเลยปะเหมาะบางทีก็ไม่กอ่อเฟอกกองไฟเสียด้วยซ้ํามีอะไรย่องเข้ามาเราก็รู้ ไม่มีวันไหนเผลอหลับไม่รู้สึกตัวเลยเนะก็อ่านมีบ้างเหมือนกันแหละครับเวลาเพียงมากๆหรือเวลาไม่สบายแล้วถ้าสัตว์ร้ายมันย่องเข้ามาตอนนั้นน่ะจะทํำยังไงก็ถือว่าเป็นกรรมไปนั่斯ิครับคนเราถึงที่อยู่ในเมืองนอนบนเตียงมันก็ตายได้เหมือนกันส่วนมากเวลาเราจะนอนเราต้องรู้ล่วงหน้าเสมอว่าป่าแถบนั้นมีอะไรบ้างที่เราจะต้องระวัง แต่ถ้าเจออย่างไอผีขโมดเหมือนที่เคยได้งานพวกเรามาแล้วก็แย่หล่อนใช้เวลาว่างให้หมดไปกับการอ่าน ห, หนังสือและเดินสำรวจป่ารอบๆบริ เ, เวณแคมป์จนขึ้นใจมีความเคยชินกับมันจนดูเหมือนว่ามันจะเป็นบ้านของหล่อนเองในเวลาเย็นๆก็ลงมือปรุงอาหารเลี้ยงพวกลูกหาบด้วยตัวเองอาการของพี่ชายดีขึ้นมากจนร่อนหมดความกังวลและสบายใจได้แล้ว หัวข้ามก่อนนอนก็ออกมานั่งริมกองไฟคุยกับบุญคำและพวกลูกหาบซึ่งมีเรื่องราวพิรุกึกกือสารพัดในป่าเล่าให้หลอนฟังอย่างเพลิดเพลินพอคืนที่สี่ผ่านไปดารินก็เริ่มกระวนกระวายยังไม่มีข่าวจากคณะติดตามไอแหว่งแว่วมาให้ทราบเลยพรานใหญ่ผิดสัญญากับหลอนเสียแล้วมันเป็นสิ่งที่ยากจะทานายเหตุการณ์สาหรับหลอนว่าเกิดอะไรขึ้นทานองไหน รัพพินควรจะต้องนำชายยันและคณะย้อนกลับมาที่แคมป์ภายหลังจากสมวันตามที่ตกปากรับคำกับปลอนไว้การคลาดเคลื่อนผิดเวลาของเขาก่อให้เกิดปัญหาไปในทางที่ไม่สู้จะดีนะักมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับดารินเพียงคนเดียวสำหรับเชษฐาและคนอื่นๆไม่รู้สึกผิดปกติร้อนใจอย่างใดเพราะตระหนักได้ดีอยู่แล้วว่าการติดตามโขลงไอแวงไม่มีเวลาที่กาหนดตายตัวได้แน่นอน ทั้งคนเหล่านั้นก็ไม่ได้รับรู้ในคําสั่งส่วนตัวของรอนที่ให้พรานใหญ่ย้อนกลับมาแคมป์ภายในสมวันตกบ่ายของวันที่6ระหว่างที่หญิงสาวนั่งคุยกับพี่ชายอยู่ในกระโจมพักเมื่อมองออกไปยังระอองฝนที่โปรยปลายมาตั้งแต่ตอนเที่ยงเงาของคนหคนก็ปรากฏขึ้นคนเหล่านั้นโผล่ออกมาจากมุมโขดหินปากนานแคบๆเดินฝ่าสายฝนตรงเข้ามาอย่างรวดเร็ว แตงเงียบกริบชนิดไม่มีสิ่งใดกระโตกกระตากถึงการมาจนพวกในแคมป์ไม่รู้ร่วงหน้าชายยันนำคู่มากับแง่ทายส่วนพรานใหญ่รังท้ายดารินกระโดดรุกขึ้นยืนร้องออกมาพวกนั้นกลับมาแล้วพวกลูกหาบที่พากันนั่งจับกลุ่มพักอยู่ใต้เพิงก็เหลือบไปเห็นพร้อมๆกับหล่อนพากันร้องทักทายเกรียวกลาวและบอกกันแซร ไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นทั้งหคนซึ่งเปียกฝนและโคลมอมแมมไปทั้งตัวก็เข้ามาพร้อมกันอย right? ู um ่ต่อหน้าของเชษฐาซึ่งรอคอยฟังข่าวอยู่ด้วยความร้อนใจสีหน้าของแต่ละคนเหล่านั้นแม้จะไม่มีการปริปากเช่นไรก่อนเลยก็ส่อชัดถึงแววกังวลและร่องรอยของการบุบบั่นกันมาอย่างหนักเหตุการณ์ทางนี้ปกติเรียบร้อยดีหรือผู้พูดขึ้นหอบหอบเป็นประโยคแรกคือชายยัน เชฐฐากับดาวดินประหลาดใจในคำถามนั t t ้นก็เรียบร้อยดีนี่ทำไมหรือเชฐฐาขมวดคิ้วจ้องหน้าสหายผู้เพิ่งกลับมาถึงชายยานหันไปมองดูหน้าพรานใหญ่แล้วกล่าวเข้ารินกาแฟดื่มเต็มกระหายพวกเรารีบย้อนกลับมาแคมป์ชนิดไม่ยอมพักกันเลยไอ้แหว่งล่อเราลงไปทางเขานางแล้วก็ดอดวกกลับบ่ายหน้ามาทางที่ตั้งแคมป์นี่อีกครั้งนึกว่าทางนี้เกิดประทาอีกแล้วใจไม่ดีเลย ขณะที่กวดตามมันมาเร่งเดินกันเสียทับแย่ฮ่หัวหน้าคณะเดินทางร้องลัน่นลืมตาโพรง่งจ้องหน้าชายยันกับรบพินสลับกันพรานใหญ่ขณะนี้ซุดตัวลงนั่งบนลังใบหนึ่งขวาผ้าขนหนูขึ้นมาเช็ดน้ําปนเหงื่อบนใบหน้าและรับถ้วยกาแฟที่ชายยันดินแจกจ่ายคนอื่นๆนั่งรายร้อมลงกับพื้นบุญคํากับนายเมย์หัวหน้าลูกหาบโผล่เข้ามาในแคมป์มุงฟังข่าวดูด้วยความกระหาย จริงเหรอและพินที่อ้แหว่งย้อนกลับมาทางค่ายพักของเราอีกครับเขาก้มศรีรษะรับประกายตาเครียดเคร่งเราไปงงรอยของมันที่เขานางเสียสองสัวันเต็มแล้วก็พบว่ามันวกกลับทีแรกนึกว่าจะเลิดลงใต้ไปทางผูกตะเค้อแต่ผิดคาดถนัดมันตัดสันเขาเตี้ยๆลงทุ่งบ่ายหน้ามาทางป่าหวายอีกแล้วก็ตรงเข้าเส้นทางที่เราตั้งแคมป์อยู่นี่ ทิศทางของมันอ้อมเป็นวงรีอย่างไรพิกลเราก็ชั้นลอยมันมาโดยไม่ยอมหยุดเลยแต่ตามไม่ทันห่างกันประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงระหว่างที่กวดตามหลังมาพวกเรานึกว่าจะอย่างไรเสียมันก็คงหวนมาตีท้ายกลัวอีกแล้วเอ๊ะแปลกจริงดาดินอุทานออกมามองไปทางบุญคําพวกเราทางนี้ไม่ได้วีแววกระตกกระต่างอะไรเลยไม่ใช่หรือบุญคําทุกสิ่งทุกอย่างเงียบเชียบปกติ ครับเราไม่ได้ยินเสียงของพวกมันเลยบุญคำรับคำโดยเร็วหน้าตื่นงงไปหมดเช่นกันรอยของมันผ่านไปทางชายทุ่งหลังเนอนนี้ห่างประมาณสักกิโลเดียวเท่านั้นเชื่อว่าขณะที่มันเฉียดผ่านเข้ามาพวกมันจะต้องอยู่ใต้รมและใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดที่จะไม่ให้เกิดเสียงขึ้นเวลาผ่านก็ตอนเช้ามืดของวันนี้เองว่าแต่บุญคำออกสำรวจบริเวณรอบๆแคมป์เราบ้างหรือเปล่า ก็แค่ตีเนินี้เท่านั้นครับนายหญิงไม่อนุญาตให้ไปไกลไกกว่านั้นแต่สาบานได้ว่าผมไม่ได้วิแววของมันหรือช้างโขลงอื่นๆเฉียดเข้ามาใกล้เลยตั้งแต่วันที่นายไปเชษดถาอึ้องไปนานยกมือขึ้นรูปปลายคางชายันเล่าถึงการติดตามนับตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งย้อนกลับมาถึงแคมป์อีกครั้งให้หัวหน้าคณะและดารินฟังค่าวๆแน่ใจหรือว่า โครงที่เฉียดผ่านแคมป์เราที่นี่ไปเมื่อเช้ามืดเป็นโคงของไอ้แหวงหัวหน้าคณะผู้พิการชั่วขณะเอ่ยถามขึ้นอย่างสุดพิสวงไม่มีปัญหามันแน่ๆตามรอยของมันมาห้าหกวันเต็มเต็มเว่าแต่มองเห็นด้วยตาเลยต่อให้หลับตามือคลำก็แทบจะจำได้ชา ย, ยันตอบแทนพรานใหญ่อย่างมั่นใจไอ้แหวงขาหลังข้างซ้ายเจ็บไม่รู้พวกเราคนใดคนหนึ่งยิงเอาตอนที่เกิดการต่อสู้ชุนมูลครั้งแล้ ว, ลวมา เวลามันเดินไปตามปกติมันลากขาข้างหลังนั้นแต่บทจะทำเวลาขึ้นมาในกรณีที่รู้ว่าเรากะชั้นหลังเข้าไปมันก็เดินได้สี่ขาคล่องแคล่วดีโชคเป็นของมันเพราะตลอดเวลาเราเป็นฝ่ายอยู่เหนือลมเสมออ้อมสกัดไม่ทันแต่มันก็กระชั้นชิดบุบวิดจวนเจียนเหลือเกินทำเอาเราไม่มีโอกาสพักกันเลยนอกจากกวดตามแทบไม่มีเวลาหายใจมันแย่จะกกองทัพใหญ่ของพวกมันแน่นอนแล้วหรือ เป็นโขลงของมันโดยเฉพาะตามลําพังหรือมีโขลงอื่นเข้ามาขบวนร่วมอยู่ด้วยเชิดถาถามมาอีกอย่างหนักใจแยกแน่นอนแล้วครับลูกโขลงที่ตามมันในคราวนี้มีอยู่ไม่เกิน30บตัวแต่เห็นจะไม่น้อยกว่ายีสิบทิศทางของมันเดินตามลมอยู่ตลอดเวลาแล้วดูเหมือนจะมีเจตนาโดยตรงที่จะเ่อให้เราตามวกไปวนมาระพินตอบเสียงต่ําลึกอ๋อนี่แปลว่าที่พากันย้อนกลับมาแคม ก็เพราะไอ้แหว่งมานำทางมาหลอกหรือหม่อมราชวงหญิงดาลินเปลยขึ้นรอยๆแต่ตาจับอยู่ที่พรานใหญ่เขาไม่ตอบก้มลงจุดบรีอัดควันจนแก้มตอบตาหลีขคลิ้มลงไม่มองศบรอนชัยยันเป็นคนบอกมาแทนว่าก็ใช่น่ะสินึกไม่ถึงว่าไอ้แหว่งมันจะชวนเราเดินกลับแคมป์ไอ้มหาวายร้ายนี่ผีหานรกมาเกิดในร่างของช้างแท้ๆเราได้คู่ต่อสู้ที่น่าชมทีเดียว ไม่ว่าในด้านกำลังหรือไหวพริบเลกลนเชื่าพึมพำเม ม, มลิมฟิ ป, ปากแน่นก็ดีให้มันร้ายกาจจริงอย่างนี้เถอะการขับเคี่ยวระหว่างมันกับเราจรึงจะออกรถถึงพริกถึงขิงพวกเรากลับมาถึงแคมป์กันก่อนก็ดีแล้วกำลังนึกถึงอยู่ทีเดียวทุกคนไปพักผ่อนสิก่อนไปคืนนี้อยปรึกษากันใหม่ช ย, ยาัหงายหลังลงบนแผ่บนเตียงสนามคนอื่นๆพากันออกไปจากกระโจมพักของนายจ้าง แล้วผินนั่งสู่บุรีอยู่อีกอึดใจก็ช่วยปืนลุกขึ้นยืนช้าๆบอกว่าผมจะออกไปตรวจรอยของมันที่ผ่านชายทุ่งอีกสักครั้งประเดี๋ยวจะกลับมาอ้าวเพิ่งมาถึงโยกโยกจะออกไปอีกแล้วหรือพักซัก่อนเถอะเชื่อถาท้วงมาเ ร, เร็วอย่างเป็นห่วงจอมพรานหัวเราะอยู่ในลำคอไม่เป็นไรหรอกครับคุณชายผมจะไปสารวจดูหน่อยเดียวเท่านั้นบางทีจะรู้ว่ามันมีแผนอย่างไรต่อไป เมื่อตะ ก, กี้ยังดูไม่ถนัดนักแแวเข้ามาในแคมป์นี่เสียก่อนขืนช้าไปเดี๋ยวข้ามการตรวจรอยจะทําได้ยากหัวหน้าคณะตึกตองอยู่ครู่ก็พยักหน้าตามใจแต่อย่าตามมันไปให้ไกลนักนะเอาแค่เตรียมรับมือกับมันเท่านั้นหากว่าคืนนี้มันมีท่าทีว่าจะเล่นงานเราอีกดีเหมือนกันไม่ควรประมาทเมื่อมันมาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆอย่างนี้แล้วผินออกไปนอกกระโจมโบกมือเรียกบุญคําเข้ามาพูดอะไรอยู่ครู่ก็าพากันเดินออกไปด้วยกัน ในเต้นเชษฐาดารินและชายยันยังคงสนทนากันอยู่แย่หน่อยจงอ่างชุมเหลือเกินเจอเข้าอีกตั้งห้าหกตัวโชคดีที่มันไม่ไล่ชายยันบอกทำหน้าเบ้สันศีสะอยู่ไปมามีอีซิเดนมีอกซิเดนอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าระหว่างทางดารินถามจ้องใบหน้าอันซีคล้มอิดโรยของเพื่อนหนุ่มอย่างเป็นห่วงก็พวกงูเท่านั้น ที่เล่นเอาใจหายมิทั่วท้องนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากเดินกันหนักที่สุดกว่าทุกครั้งที่แล้วมาเห็นฤทธิพินชัดเอาคราวนี้เองหมอสารอยไปราวกับหมาล่าเนื้อแทบไม่มีเวลาได้หยุดพักเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ค้นพบว่ามันวกกลับบ่ายหน้ามาทั้งแคมป์ที่นี่ขนาดกลางคืนก็ยังเดินชั้นแย่กว่าเพื่อนนอกนั้นจอมทรหดกันทั้งนั้นพวกนี้เดินเหมือนเงาผีขนาดเร่งวีเท้าเต็มที่ยังตามไม่ค่อยทัน ว่าแต่เธอปกติเรียบร้อยดีหรือเปล่าเห็นสมักสมบอมหรือเกินก็แค่เพลียหมดแรงเท่านั้นพักซิีนหน่อยก็ค่อยอยังชั่วสุขภาพอื่นๆทั่วไปคงไม่เป็นไรหรอกหรือไม่แน่ใจก็ลองตรวจฉันดูความจริงฉันก็เคยชินมากแล้วผิดกับสมัยที่เดินทางใหม่ๆรีบรับแต่ถึงจะเคยชินสักขนาดไหนก็ตามมาเจอคราวนี้แทบขาดใจเลยเห็นป่ารอบด้านเป็นสีเหลืองไปหมด หมอไม่ยอมหย่อนฝีเท้าหรือพิจารณาว่าฉันเป็นมือใหม่ที่จะต้องคอยเป็นห่วงอีกแล้วเพราะฉะนั้นเตือนให้รู้ร่วงหน้าถ้าเธอจะไปด้วยในคราวต่อไปอย่านึกว่าหมอจะคอยพวงยอมเสียเวลาอยู่เหมือนก่อนๆหมอใช้สมรรถภาพในเชิงพรานของหมอเต็มที่เลยอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักฝีเท้าตกแล้วก็ตามกันอย่างชนิดเอาเป็นเอาตายซึ่งสภาพอย่างเราๆต่อให้เคยชินชำนาญสักขนาดไหน ก็เทียบอัตราส่วนกับหมอไม่ได้เลยแม้แต่น้อยก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราพินจะมามัวออมฝีมืออยู่อีกเชิดถาว่าหัวเราะหึ่ฉันรู้ว่าศึกไอแหว่งครั้งนี้พานของเราหนักใจมากและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ทีเดียวถ้าเอามันไม่อยู่เขาก็มีอาชีพพานอยู่ไม่ได้พวกเราก็เหมือนกันเมื่อจะร่วมกับเขาก็ต้องพยายามให้ทันเขาในทุกด้าน อย่าให้กลายเป็นภาระหรือเรื่องกังวลของเขาไปแล้วก็หันมาทางน้องสาวกล่าวเป็นงานเป็นการสำหรับน้อยพี่คิดว่าอยู่กับพี่ดีกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องนี้เป็นภาระของชายยันและพวกพรานเขาโดยเฉพาะพี่ใหญ่คิดว่าน้อยจะเป็นคนทําให้เกิดอุปสรรคขึ้นกับแผนตามร่างไอแหวงหรือคะพี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นพี่ชายตอบอย่างเอาใจแต่เต็มไปด้วยเหตุผลอันหนักแน่นพี่คิดว่าระพินชายยานัน ตลอดจนพวกพานทุกคนจะหมดห่วงถ้าน้อยไม่ไปด้วยเราจะห้ามไม่เขาห่วงก็ไม่ได้ถ้าจะพูดกันตามสำนวนเรื่องจีนก็ต้องว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักมาดว่าเนี่ยนีย้จะมีฝีมือในการรบเป็นที่ประจักษ์ชัดเพียงไรแล้วก็ตามขอจงพำนักพักผ่อนอยู่เพียงในค่ายเถิดปล่อยภาระการศึกให้แก่ขุนศึกทั้งหลายโดยอิสระ เพื่อไม่ให้เกิดความกังวลห่วงหน้าพวงหลังขึ้นอันเป็นการรบขั้นชะกันแม้ผู้ร่วมศึกบังเกิดความพวงห่วงใหญ่ซึ่งกันและกันแล้วก็วกย่อมจะกระทำการรบพิถนัดชายยานกล่าวเสริมมาเป็นรา่ ย, ยาวทั้งทางหลับตาอยู่เชษฐากับดารินอดทุราะออกมาไม่ได้อ๋อนี่เป็นนบรรดาขุนศึกที่จะรบกับไอแหวงมหาราชทั้งหลาย เราทึกทักตัวเองว่าเป็นขุนศึกมือดีกับเขาได้หรือชายยันเปล่าไพ่เร็วต่างหากเพื่อนชายตอบมาพลางดึงตัวลุกขึ้นนั่งถอดรองเท้าคอมแบตออกแล้วก็ติดตามไปเพื่อเป็นกำลังเท่านั้นถ้าแม่ทัพใหญ่ผู้มีนามวาราพินสั่งห้ามไม่ให้ไปด้วยโดยกลัวว่าจะเกะ ก, กะก็รับรองว่าจะปฏิบัติตามคาสั่งโดยดีไม่ดื้อดึงดันทุรังหรืออวดเก่งจะไปให้ได้หรอก ไม่ต้องมาทำว่ากระทบฉันหรอกดีแล้วฉันจะถามเขาเองว่าเขาจะยอมให้ฉันไปด้วยไหมถ้าเขาอึดอัดขัดข้องอย่างไรฉันก็จะไม่ไปแต่ถ้าเขาไม่ขัดข้องฉันก็จะไปด้วยระยะนี้พี่ใหญ่เขาอยังชั่วมากแล้วพอจะให้อยู่กับบุญคําตามบัมพังได้ถึงจะอึดอัดขัดข้องอย่างไรแล้วผินก็ไม่คงไม่กล้าทักท้วงหรอกเพราะรู้ฤทธิ์เธอดีอยู่แล้วฤทธิ์อะไรหล่อนกระชากเสียงถามโดยเร็ว ก็ลิดดื้อดึงดันทุลังนะสิทา้งงาั้นทั้งเธอและตาพานใหญ่นั้นก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วว่าคนอย่างฉันต่อให้ช้างขนาดไอ้แหว่งมาฉุดไว้ไม่ได้ลงว่าถ้าฉันต้องการจะทำอะไรก็ดีแล้วนี่ที่เข้าใจหล่อนพูดปนหัวเราะฉีวเฉวแล้วหันไปยิ้มให้พี่ชายพูดเน้นเสียงหนักแน่นชัดเจนจะอย่างไรก็ตามถ้าพี่ใหญ่ไม่ต้องการให้น้อยไปกับพวกนี้น้อยก็จะอยู่ค่ะ แต่จะว่าอันที่จริงแล้วในกรณีของไอ้แหวงนี่คนที่สมควรจะล้มมันด้วยมือเองเป็นอันดับแรกก็คือพี่ใหญ่ถึงจะหายแค้นถัดมาก็น้อยซึ่งเป็นตัวแทนของพี่ใหญ่ในกรณีที่เจ้าตัวเองต้องนอนเจ็บพิการอยู่ชั่วขณะเช่นนี้คนอื่นฆ่ามันก็ไม่สมใจแต่พี่ไม่คิดอย่างนั้นใครก็ได้ขอให้กําจัดมันลงได้เท่านั้นพอใจแล้วพี่ไม่ได้อาฆ่ายพยิบาติอะไรมันเป็นส่วนตัว ที่ต้องการกำจัดมันลงในครั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้นระพินและบุญคำกลับมาถึงแคมป์ภายหลังจากหายออกไปเพียงชั่วโมงเศษพอมาถึงก็นอนพักหลับไปทันทีตื่นขึ้นในเวลาอาหารข้าพบกับคณะนายจ้างอีกครั้งที่โต๊ะอาหารในเต็นท์ทุกคนกำลังรอฟังข่าวจากเขาตอนที่คุณกลับมาและนอนหลับไปบุญคาบอกระ ว, ว่ารอยของไอแหวงวกลงไปทางใต้อีก เชษฐาผู้สอบถามผลของการตรวจร่องรอยจากบุญคำก่อนแล้วเอ่ยขึ้นภายหลังจากนิ่งไปครู่ใหญ่ทุกคนที่รอคอยอยู่ก็ได้รับคำตอบสั้นๆว่าครับอธิบายได้ไหมมันหมายความว่ายัางไงไอ้แหว่งสู้เราครับไม่ได้หนีอย่างที่เข้าใจแต่แรกเลยและขณะนี้กำลังเล่นเอาเถิดเจ้ารออยู่กับเรายั่วให้ตามครั้งแรกมันมุ่งไปขานางเราตามไปมันก็วกอ้อมมาที่แคมป์ พอตามมาอีกมันก็ซ้ำรอยเดิมไปทางเขานางอีกระยะนี้อยู่ที่ว่าใครจะเป็นฝ่ายเผลอเท่านั้นสมมุติว่าคุณหลงรอยของมันที่เขานางโดยไม่รู้ว่าพวกมันหวนกลับมาทางด้านที่เราตั้งแคมป์อยู่นี่คุณคิดว่ามันจะบุกแคมป์เราไหมข้อนี้ผมก็กําลังคิดอยู่เหมือนกันระยะที่มันเฉียดใกล้แคมป์เรามากที่สุดห่างสักเท่าไหร่ประมาณห้าร้อยเมตรเท่านั้นเองครับ ในป่าโปรง่งระหว่างตีนเขาสองลูกทางด้านตะวันออกไม่ใช่เฉียดผ่านไปเฉยๆแต่ชุมนุมกันอยู่ที่นั่นด้วยอย่างน้อยก็เป็นเวลาสักชั่วโมงหนึ่งที่มันซุ่มนิ่งอยู่เฉยๆไม่มีรอยหากินเลยขณะนายจ้างมองดูตา ก, กันชายยันเอียงหน้าเข้าไปกระซิบกับดารินเธอพูดถูกแล้วน้อยไอแหว่งควรจะต่อท้ายคําว่ามหาราชอาจจะเป็นจิวี้กับชาติมาเกิดก็ได้ คราวนี้เป็นได้รู้กันแล้วว่าตาพานของเราเป็นขงเบ้งที่เกิดตามมาด้วยหรือเปล่าดารินกสิปเชื่อถาอยู่ในระหว่างเคร่งเครียดกับการสอบซักและคุ้นคิดเมื่อเช้ามือ น, นี้เองหรือที่มันมาซุ่มอยู่ที่นั่นจากรอยมูลรอยปัสสาวะและยางจากกิ่งไม้ที่มันเดินชนหักให้การสันนิษฐานได้เช่นนั้นครับจะคาดเคลื่อนไปบ้างก็ไม่เกินสองชั่วโมงช้างทั้งโขลง เข้ามาซุ่มชุมนุมอยู่ห่างจากที่พักของเราเพียงแค่ห้ารอเมตรทําไมพวกเราถึงไม่ได้ยินเสียงของมันบ้างเลยวันนี้ฉันตื่นตั้งแต่ตีสีออกไปเดินรับอากาศอยู่รอบแคมป์ไม่ได้ระแคะระคายอะไรสักนิดบุญคําก็ตื่นด้วยตอนนั้นหญิงสาวเอ่ยขึ้นอย่าว่าแต่ห้าร้อยเมตรเลยครับถ้าภูมิวระเทศเป็นที่โล่งไม่มีกิ่งไม้เกะกะไม่มีใบไม้แห้งโดยเป็นพื้นเกลี้ยงเรียบมันเดินเข้ามาหาคุณหญิงห่างเพียงแค่สอกเดียวทางด้านหลัง คุณหญิงก็จะไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยเสือย่องได้เบาแค่ไหนช้างก็ย่องได้เบาแค่นั้นถ้าพื้นที่อำนวยให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันย่องเข้ามาด้วยแผนการและเจตนาร้ายแบบนี้ยกเว้นแต่จะมาแบบหากินธรรมดาการใหญ่ตอบเรียบๆ เ, เพราะฉะนั้นรู้ไวเสียด้วยว่าอีตอนที่เธอออกมามอร์นิ่งวอล์อยู่นั่นน่ะไอ้แหวงกับพวกกาลังยืนยิ้มมองดูเธออยู่ทีเดียวชา ย, ยานสอดมา ดายินยิ้มเรี้ยนเดี้ยนยากไรก็นับว่าโชคดีไปอย่างที่ฉันไม่รู้ตัวนี่ก็แปลว่าตั้งแต่มันแตกหนีมาเมื่อคราวแล้วคราวเล่นงานเราครั้งใหญ่นั่นแล้วมันไม่ได้ออกห่างเราเลยเชี่ยวาพึมพำเหมือนจะกล่าวกับตนเองวนเวียนคุมเชิงเราอยู่ในรัศมีไม่เกินหกสิบกิโลเมตรนี่เองครับซึ่งต้อง น, นับว่าเป็นระยะกระชั้นชิดมากผมเรียนแล้วว่ามันสู้มันไม่ได้หนี อันเป็นผลประโยชน์ฝ่ายเราที่จะไม่ต้องเสียเวลาอีกนานนะักดีชั่วระหว่างมันกับเราเป็นได้รู้กันเ็ววันนี้แหละถ้ามันยังไม่เปลี่ยนแผนโอกาสของเราอยู่ที่ว่าเข้าให้ถึงตัวมันโดยให้ไม่ให้มันไหวทันร่วงหน้าเท่านั้นซึ่งมันก็หวังในทำนองเดียวกับเราแล้วผานใหญ่ก็หัวเราะออกมาเบาๆมองดูหน้าเชืากับดาลินบอกต่ๆต่อมาว่าตอนที่มันย่องเข้ามาใกล้แคมป์เมื่อช้ามืดนี้ ผมอยากจะเชื่อว่ามันมีเจตนาที่จะบุกเข้าโจมตีตามแผนเดิมๆของมันเหมือนกันแต่คงเนื่องจากอย่างดูแล้วว่าชายภูมิที่ตั้งแคมป์ของเราแข็งแรงมั่นคงมากขืนบุกมันก็เสียเปรียบเพราะไม่มีทางจะประดังเข้ามาพร้อมๆกันได้นอกจากเรียงเดียวผ่านปากด่านชันขึ้นมาทีละตัวเลยไม่กล้าถ้าเราตั้งค่ายอยู่ในที่โล่งปากจากกำบังก็คงเจอเข้าให้แล้วน่าจะจริงอย่างที่คุณสันนิษฐาน ผมก็กำลังคิดอย่างนี้อยู่เหมือนกันหัวหน้าคณะคลางออกมาพร้อมกับเป่ารมออกจากปากผมก็ได้แต่สีดายอยู่นี่เองว่าตัวเองต้องมีอันเป็นไปขาเจ็บเสียไม่งั้นก็ขอรับมือกับมันด้วยคนในชีวิตผจญภัยที่ผ่านมาไม่เคยพบเกมอะไรตื่นเต้นเท่าครั้งนี้เลยจนตายก็คงไม่ลืมชื่อไอ้ช้างตัวนี้ชักรักมันเสแล้วสิแต่หวังว่าคงไม่คิดคล้องมันมาไว้เป็นช้างคู่บรารมีนะ ชั ย, ยันขัดมาทำให้ทุกคนหัวรอกกันขึ้นอีกกลางบรรยากาศเคร่งเครียดขาเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าจะดีขึ้นมากแล้วพรานใหญ่ถามมองไปยังขาข้างที่เจ็บของอดีตทูตทหารบกผู้เป็นนายจ้างเชิฐถายิ้มสบายมากพรุ่งนี้มลือ น, นี้ก็คงจะพอขยเกกได้น้อยกะไว้เดือนหนึ่งแต่ผมคิดว่าคงจะเร็วกว่านั้นว่าแต่คุณเถอจะเอาอยัางไงต่อไปพรุ่งนี้ตามอีกครับ เขาตอบง่ายๆแล้วหันไปมอดูชัยยานถามว่าไหวไหมครับคุณชัยยานพันตีทหารปืนใหญ่นอกราชการหัวเราะราตามแบบฉบับของเขาจำไว้อย่างเดียวว่าคุณไหวผมก็ไหวเอาไหนเอาการไม่ยั่นเลยจอมพรานยิ้มมอดูชัยยานอย่างรักน้ำใจรู้สึกยินดีที่สองชายผู้อยู่ในฐานะนายจ้างของเขาสามารถจะไปเชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับเขาได้เป็นอย่างดี ซึ่งในครั้งแรกเขาไม่เคยมั่นใจในข้อนี้เลยเหตุการณ์ที่ผ่านมามันพิสูจน์ได้ชัดแม้จะเป็นชาวกรุงผิวบางแต่ทั้งคู่ก็เป็นนักผจนภัยเลือดข้นโดยแท้สมแล้วที่อาจหาในการเดินทางครั้งนี้พี่ใหญ่ค็ยยังชั่วมากแล้วคุณจะมีอะไรขัดข้องไหมถ้าฉันจะไปด้วยดารินถามมาแช่มช้าชัดเจนประกายตาดาสนิทจับนิ่งมาที่เขา ระพินเลิกคิ้วมองดูนักมานุษยวิทยาคนสวยอย่างแปลกใจเล็กน้อยหัวเราะเบาๆทำไมผมถึงจะต้องมีอะไรขัดข้องด้วยล่ะครับในเมื่อคุณหญิงเองก็ร่วมทีมกับเรามาแต่แรกแล้วเปล่าฉันต้องการความแน่ใจอีกครั้งในการร่วมไปกับพวกคุณพรุ่งนี้ด้วยหากมีความยุ่งยากลำบากใจยังไงก็บอกกันมาตามตรงฉันจะได้ไม่ไปเสียมีอะไรที่ผมจะต้องยุ่งยากลาบากใจด้วย การที่ขาดคุณชายไปเสียคนหนึ่งในทีมของเราผมก็เสียดายอย่างที่สุดแล้วหากขาดคุณหญิงไปอีกคนผมก็เสียดายเพิ่มขึ้นไปอีกผมยินดีอย่างยิ่งครับที่จะมีพวกเราทุกคนไปร่วมใจด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วยกเว้นในกรณีจำเป็นจริงๆที่ร่วมด้วยไม่ได้เท่านั้นในจำนวนสี่คนของพวกเราไม่ว่าจะเป็นคุณชายคุณเจยันคุณหญิงหรือผมต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามเอบแ่งด้วยกันทั้งนั้น ผมไม่ได้บังอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องของผมโดยเฉพาะเลยหญิงสาวยิ้มออกมาอย่างพอใจตาเป็นประกายขอบใจมากที่ให้เกียรติเราที่ฉันถามคุณเสียให้แน่ใจก็เพราะทั้งพี่ใหญ่ได้ชายยานทวงฉันไว้ไม่อยากจะให้ฉันไปกับพวกคุณด้วยเพราะเกรงว่าฉันจะเป็นภาระทําให้คุณคอยเป็นห่วงทํางานไม่ถนัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตามไอ้แหวงซึ่งเป็นงานหนักที่สุดโนบินสันศีษะช้าชา้า การล่าไอแหวงไม่ใช่งานหนักที่สุดหรอกครับหนทางเดินข้างหน้าของเราหลังจากที่ออกจากกลมช้างเป็นแล้วหนักกว่านี้มากนักดารินหันไปทางพี่ชายเหมือนจะข อ, อการชี้ขาดเชษฐาก็พยักหน้าบอกมาอย่างง่ายๆว่าตกลงน้อยจะไปก็ไปทางนี้ไม่มีอะไรต้องห่วงพี่อยู่กับบุญคาได้หม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยมองไปทางเพื่อนชายอย่างมีชยัยถามเยาะเยาะว่าเราราเพราะตัวดีมีอะไรขัดข้องไหม เมื่อเสียงฝ่ายสนับสนุนมากกว่าฝ่ายค้านเธอก็เป็นอันชนะคะแนนไปแต่บอกกล่าวล่วงหน้านะบุกคราวนี้เราไม่มีการพักเพื่อสะสมองค์คงคากันเลยขี้ฟันก็ไม่มีโอกาสได้ชำระตลอดห้ากวันที่ผ่านมาบ้าหล่อนค้อนทำปากขมุบขมิบแล้วลุกขึ้นไปจัดเตรียมของรับผินออกจากเต็นท์เรียกแง่าสายและคนคู่ใจของเขามาสั่งความให้ทราบถึงแผนติดตามอีกครั้งในเช้าตรู่พรุ่งนี้ บุญคำอยู่ประจําปางพักตามเดิมคอยรับใช้นายใหญ่ให้ดีพรุ่งนี้นายหญิงไม่อยู่ที่นี่เพราะเข้าป่าด้วยกลางคืนเข้าไปนอนเฝ้าในายใหญ่ในเต็นท์ข้างนอกให้นายเมยดูแลแทนไม่ต้องห่วงครับบุญคำจะรับใช้นายใหญ่ให้ดีที่สุดในเต็นท์ดาดินเตรียมของบรรจุโรงย่ามหลังประจําตัวเสร็จก็ออกมาเพื่อจะสั่งความกับบุญคำฝากฝังพิชายพบพรานใหญ่กําลังนั่งอยู่ในวงร้อมของคนของเขาก็เดินตรงเข้ามา นายหญิงต้องการอะไรหรือครับบุญคำถามยิ้มยิ้มปล่าหรอกพรานใหญ่บอกบุญคำแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ฉันจะไปกับพวกเขาด้วยหรือในายใหญ่คนเดียวกับบุญคำและพวกลูกหาบเท่านั้นบุญคำทราบแล้วครับและพรานใหญ่ก็สั่งแล้วว่าบุญคำจะต้องทําอะไรบ้างหล่อนยิ้มเล็กน้อยมองไปทางรพินผู้นั่งมองดูเงียบเงียบอยู่แล้วถามบุญคำต่อมาพรานใหญ่สั่งยังไงบ้างให้บุญคำคอยรับใช้ใกล้ชิดในายใหญ่ กลางคืนให้นอนเฝ้าในเต็นท์ให้นายเมย์กับพวกลูกหาบอยู่ยามบริเวณรอบนอกผมเป็นห่วงเรื่องการพยาบาลและเรื่องการให้ยาเท่านั้นบุญคำคงจะไม่ภาษานะักคุณหญิงควรจะสั่งเขาไว้เสียให้เรียบร้อยแล้วผินเอ่ยขึ้นเบาๆเรื่องยาไม่ต้องกังวลหรอกพี่ใหญ่พอจะช่วยตัวเองได้แล้วในเรื่องนั้นและฉันก็จัดเตรียมให้เขาไว้เรียบร้อยแล้วการพยาบาลก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าคอยรับใช้ใกล้ชิด สุดแล้วแต่เขาจะให้ช่วยทำอะไรเท่านั้นผมว่านายหญิงอยู่เสียที่นี่พักที่นี่ไม่ดีกว่าหรือครับตามไม้แหวงลําบากนักพร า, านเท่ากล่าวเบาๆด้วยความเป็นห่วงและคนเกรงใจมองดูเรือนร่างงามของนายหญิงอย่างเสียดายที่จะต้องไปกรากรมสมบุกสมบันหนักดาดินหัวเราะเบาๆตบไหลยบุญคําฉันรู้ว่าทุกคนหวังดีต่อฉันไม่ต้องการให้ฉันไปทรมานและเสี่ยงอันตรายเช่นนั้นแต่ขอให้ทุกคนรู้ไว้เสียด้วย ไอ้แหว่งเกือบจะฆ่าพี่ชายของฉันเสียแล้วฉันต้องการไปในครั้งนี้ไม่ได้คิดว่าตนเองจะสามารถไปฆ่ามันให้หายเจ็บใจได้แต่ต้องการจะตามไปดูพรานใหญ่ของบุญคำล้มมันให้เห็นกับตาอย่างน้อยที่สุดสมมุติว่าเขาคิดท้อถอยขี้เกียจตามมันขึ้นมาเมื่อใดเห็นหน้าฉันแทนตัวพี่ใหญ่เขาก็จะระลึกขึ้นมาได้ว่าเขาจะต้องเอาตัวมันให้ได้ไม่ว่าจะยากเย็นสักขนาดไหนใจเด็ดแท้ไม่สมตัวเลย บุญคำคลางออกมาพึมพำดาดินกำชับสั่งเกี่ยวกับเรื่องพี่ชายอีกสองสาคำก็เดินบ่ายหน้าจะกลับกระโจมระพิดลุกขึ้นเดินตามมาส่งหล่อนจึงเพิ่งได้โ อ, อกาสต่อว่าในสัญญาวิวาจะกลับมาถึงแคมป์ภายในเวลาสองสมวันไปเสียตั้งร่วมอาทิตย์มันจาเป็นจริงๆครับคุณหญิงกำลังติดพันทีเดียวทิ้งไม่ได้ผมต้องขออภัยที่ผิดสัญญา นี่ดีว่าไอ้แหว่งมานํำย้อนมาทางนี้ถึงได้พากันกลับมาได้ถ้ามันนำเตอไปทางอื่นก็คงหายไปเป็นแรมเดือนกระมังพรุ่งนี้จะเดินหนักข้อเท้าที่แผลงของคุณหญิงหายเรียบร้อยดีแล้วรือไม่ต้องมาทำไก่ถามถึงข้อเท้าเสียงของหล่อนคุณตวัดหางตาผ่านไปหน้านั้นพูดอุบอิบอยู่ในลำคอไม่รอไว้อีกสักปีแล้วค่อยถามนี่เพิ่งจะมานึกถามเอาป่านนี้ ฉันหายเรียบร้อยดีแล้วอ่ะตั้งแต่คืนที่ไอ้แหว่งบุกหนักคืนนั้นนั่นแหละอารามตกใจที่พี่ใหญ่เจ็บหนักความจริงคุณหญิงควรจะยินดีนะครับที่ผมคาดกําหนดไปเพราะความจําเป็นอย่างที่เรียนแล้วและมีอันเป็นไปให้ต้องย้อนกลับมาแคมป์อีกครั้งซึ่งก็ได้จังหวะเหมาะที่อาการของคุณชายดีขึ้นเป็นโอกาสให้คุณหญิงได้ร่วมติดตามไอ้แหว่งสมตามที่เจตนามุ่งมั่นไว้พอดีถ้าผมกลับมาผิดจังหวะนี้ คุณหญิงอาจไม่มีโอกาสตามไอ้แหวงกับพวกเราอีกแล้วก็ได้พร้อมกับพูดผ่านใหญ่กว่าสายตาไปรอบๆบริเวณแคมป์อันได้รับการจัดซ้าไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากที่เขาได้พลักไปจากไปในวันนั้น